ทอเอสร็สามเดวทัน้องังเควรู้เอาไว้ในสมองรู้ะแสดงออกัมารน้อวจางตั้งติใจ ันจะเป็นประโยชน์พอที่จะให้สิ่งหนึ่งว่าสิ่งอนได้เกิดประโยชน์จากการแช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะธรรมวินันต่อวัตถุศิลปะ เราจะถ่ายข้อดต่อไปเป็นแบบอย่างแบบสมพาะโดยเฉพาะโพวกเราจะนักเลือกจะนักศึกษาด้วยกำลังมีกำลังกำลังแสดงออกในการทำความดีทามงหรือบทเนี่ย จตรหงลูกแฝดแรงพิษลจ้ักที่ตาหงาอน้็บกาวยในรัเรียกในฤทธิ์ในพุธยุนไฟิิ แต่เป็นควาก็เป็นความดีพิเศษพิเศษเวทมาจเจมังฮักพระในวัประเสริฐพิเศษอย่างพิเศในยัคษ์เดินนำไปนาไปสู่ความดีอันพิเศษในธรรมก็ในธรรมก็ความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นด้วยความดี การพกดการทำการคิดมีํำทำทำให้พูดทำทำให้ทำทำทำให้คิดหลังลงกาเรื่องวัตถุศึกษามรดกในตอนเย็นเดนวิ่งมดในหูโดยไม่าสพูดแลาวก็เกิด มนุกคนหนึ่งก็เดตัวเลือใัทธารรม่งี่ด้แทนสิ่งที่บอกบอกวาม่ยงพวกเรามาเจริญตมี่นะมาเจรตนะ อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการยกเงื่อนไสร้างกันห่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ไม่หมตอนหน้าความเท็จความเทรจหรือเรียกว่าเกิดขึ้นในเป็นสีของพวกเราสีเราม่ใ่สแปดสีองร้อี่ดสีสามยสมันเป็นมแ เป็นกันใชเอารนั่งของาน่การยืนการเดินการนองการปจจัยกตรศิะรตกปการเข้าห้ารขับารเ็นเให้ตรงทีตรงัา โดยกระทบการเดินสถิตทำไม้กเกิดเป็นสีเงขึ้นมามาตัเลกให้สียงอกาเป็นเสียทีต ะ, ตะลองปูกพืชีนในน้ำในโคลีีเพื่อขึ้นาตนนี้สติตจะไมจะเสียงออกาสมาธิออกนา บางอยอ่างเหมาะอะได้ไหมดเป็นตต่อเป็นเทเปพวกเราเป็ น, นมุ่งหยุดทีไไ่ไหนส่งหนักแค่นใความรู้จตัวในความรู้จตัวแล้วมันต้องมีสูตรอะไรอะไรต้มีสูตรนะ ตาปัดเข่าหนุนเข้าโตอผ้าช่องผ้ามัดดีทำบ้ารกอาปัดทโีทั้งหลายมัมีอย่างนี้มันจะยางนี้ขึ้นมาการศึกษาียกคนเรียกว่าสติปัฏฐานมนสูงมีสติอุ ยกขึ้เลลาดปดูลงไปยดูาแล้วก็เหตนาด้วยเหตนา่อนให้เห็นอยู่บ่อยๆไม่ไ้คิดเห็นพบเห็นอยู่อราะว่าจดที่พบเห็นสัมผัสได้สัมผัสับกาเคลื่อนไหวีตที่เคลื่อนไหวให้รู้ด้ คล่องคล่องไปไปคลองคลองหรือลมหายใจไปคล่องคล่อไลมหายใจ้าไปข้างหน้าหัวับข้างหลังให้ลู่ไปคล่องคล่อกไปเห็นเรื่องเดียวๆเห็นเรื่องเดียวๆเห็นขุนหน้าข้นตาเราไปดูต้งไม่ได้เป็นสมุนไพรดูข้างเดียวจำไล้ โอ้โ้หลายั้งหลายครั้ปฏิจจ์าฏิรูปจริงแล้วก็จำตัดอาเห็นประจำตัดิงประจำตัดสมบัติมรดูประจำตัปปำดไมนเป็นอดจะมุ่งไยแหลกนั้นแหลนีีโอลูกจิงโอ้ลูกลักษณะโอ้ลูกรโอลูกเรื่องของเจ้าพวกกูเอาไปใชยดยด การมาดูแลการการสมบค่ากั่ของโลกของโลกนี่รอกถ้ามีต่ตาในกจะไปคิดอะไรนะจะไปคิดจะเรียนอะไรก็พูดเรียนดว่าโอ้มันจะเป็นรักษารักษาสัที่โอโหตอนนี ไปตอนนีข็งันเอาคแนเอาควารู้อะไต่างๆนเป็แต่ว่าการศึกษาเด้การศึกษาีรดูอนน้มันจะแสดงใหเห็นวาะอย่างเรื่อของใจของใจเราเนี่ยอุ้ยมาไ่้ มันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรมันไม่ใช่โจรอย่างไรมันจะแสดงเราก็จะดูควรจะองขอขอจะสดงให้เห็นได้เห็นดีหอมไม่เที่ยงก็แสดงให้เห็นดีหน่ยคั้งคว้นหน่อมไม่ใช่โจรกแสดงหมเป็นทุกคนแสดงเป็นปุกอ้อแสดงที่มันเกิดขึ้นแบไรแบบ ให้มันบอกกลอกมันฉายให้เราเห็นเรื่องเป็นดาวเรื่องหุบฉวนเรื่องอ่าบนหุบวนเวดีอ่าุนเลยวาไม่ดีมันจะแสดเราจะเห็นแจ๋เห็นดีนเ็นแจ๋ห็นดมัอาฉาที่ท้าแต่เราอาจิตไปท้าไี่ได เรื่องเกี่ยวกบส่วนเดยวหากนวุก็หมทาเราใีุ่นุ่นัไม่กข์เดยวอากวุนก็เกิดทิกให้เราเป็นรูปอูอเพื่อความนเนนานาลูกเไปสอบลูสอบเห็นไปพบเข้มหลายอย่างเหมือนกับ มาสู่เรื่องของพระมาลายอีกสุดไปดูสันดุไปดสวร์ถามพวกสันนลุทำไมยังมาได้รับความรางย่านี้พวสันนลุท้งไร้หัวหมอง่าาแต่ทความรู้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นใว่าสทักจรับเรีนอย่างนี้ขอสั่งให้ถึงที่เดนน จะให้พระอาจารย์ทั่วยแล้นำมาอ้าวไปดูสวรรค์ไปเห็นเกตขบุตเทตปฏิดาเมืความตกคำถามทาไมจึงไม่ความตกงานนี้พระพุทธคอแต่อนมันไปทาความดีมีจิตใจเร็มเรียรงโน้นในเมตตาโน้ช่วยเลือกเกิดแล้สักอยางที่ความตกงานี้ เาสามเส้นานห้องที่อยู่เรื่องน้นให้เราท่นมรัวท่านพอดีบารายทุภบอกปโลกกพระเจ้าเปโยกการที่เรามาเจริญธรรมานี่มันมาดโยกกันกายก็ต้องสอยาวกว่าหนาขึ้นวันนี้ทำสัญญาจิตใจมีความทุ้มมี้กิดความกำนทุกอย่นี้ เป็นสูตเป็นสูตที่ทำให้เกิดเกิดพุทธ์เกิดตาทำให้เกิดความถูกต้องวามดีความถอนเป็นสูตนี่ยรามาูเห็นไหมมีไหมเจรนาเกิสุขเกิดรู้มีไหมเกิดสิ่งกับรู้เกิดขึ้นเกิดตายเกิดขึ้นเกิดน้ ที่ัใจนี่ไหมันทุกเราเกี่ยวก้อมัมันิดอะไรมันนหลือนทกเเราอยู่กับอทุกเราอยู่กับ้ทุกหรือว่เราหมันทุกหรือว่าเรามันทุกะนี้นะนไมู่มันเกิดองเกนอนทุก ที่เว่าสุกัเวทนาทุกเวทนาอันนี้เนีุ่ก็แบโอ้แล้วก็เนี่โอ้มันมีสุขนะมันมีทุกข์เลยมันแตกออกมันมันมีอยมันสิ่งตรงนี้แล้วก็เหยมมันลมันทุกข์เลย เปสทมันปทจนะัสุกีนสุ่อยแลก็เห็นวเกี่ยวข้องกับเขากี่ยวขงกขเกี่ยวข้องกับคนผู้เนี่ยกต้องนนี้จะที่ไปเหุกทุก่ต้องมีกีไปเป็นผูุ้กทุกข์ื่อว่าินะิแล้วก็เแล้วก็ เลยความรู้ตัวเป็นแหลกหมมันก็มีอยู่จริงนะเกิกเป็นทุกเรียกว่าเบีนารษาลองทำอะไรกมันุกเกิดเช่นกับายเกิดเช่นกับจิเกิดเช่นกับูปเกิดเุนามและไม่สุขเราเห็นตายก็มีอะไรมาเกี่ยวกกายแต่เราไม่เห็ายเไม่เห็นทางการษามันเกิดขึ้นร เราต้องไปตีเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวเป็นตัวเป็นตนไปหมได้พอทุ่าหมดเ็นควคิดเห็นไหมควคิดไม่ได้หรอกไม่ไม่อยากคิดก็ต้อคิดไปเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเรเริ่มเกี่ยวข้กับาคิดอย่างไไปตามมันใหมัาเราไหรือว่าเราลู้เห็นเราไม่ใส่แล้วกลับมา ไม่ทำตามความคิดไม่ให้ความคิดเป็นย่างเรามีติมีวรู้ยาอย่างนี้พอเราทำอะไรรู้วอย่างนี้รู้วยสิ่งที่ให้เราติดสิ่งที่ทำก่อเป็นใหญ่ก็เรียกว่าเราปทเราไม่ลงไปทำความคิดไม่ได้ลงไปททุกาเวทนาทุกคเวทนา เราจะเห็นเห็นว่าเวลาเราเข้าไปเข้าไปเก่งกับจบกับทุกจบทุกก็โดนพุทโธต้อเกิดที่วิจารณ์ถ้าเราเห็นเราแยกออกมาแยกออกมาจากความสุขแยกอมาจากความเป็นผู้ดุเป็นผไม่เข้าไปเกับจบกับทุกไม่เข้าไปเกกับความคิดที่มันออบดขึ้น ความคิดอย่างเดียวพาเราไปเป็นเกลดเป็นตะนาเป็นความโลกความโกรธความหลงเป็นความรับความชังเป็นความยินดีเป็นความยิได่ายิ่งแเรียกว่าอาการเกิดขึบของรูปนามเราไม่อยู่กับเองมันชาติเราไปติดกองทรายติดกองขวานตัดท่อนไมยทอนตรงที่ไหลไปทางน่ะมันก็ติดกอง ไม่ไปม่หนว่าฝั่งซ้ยคือวานร้ายฝั่งวาคืว่ายินดีฝั่งซ้ายคือทุกฝั่งขวาคือสุขเราก็เห็นถ้าเราเห็นคนร้องไม่สิทธิถ้าเป็นปกติหยุดและเนะเ็นความคิดม่หยุดติเพื่อจะประมินมากที่ทํวาวไทหมาย ก็จะมันเป็นอาละวาดโดยพาความรักคิดเนี่ยใครยากกินอะไปคิดเนี่ยก็เราไปจู้ไปจับไปปมมันเกินแป้วอาจะเกิดความเพียรจะเกิดความโมโหงอนๆะกระดูแบบยี่เนี่ยงเกินไปมันคิดที่รก็อนรอนอมางยี่ยงวัยจะบังดที่อะไรระโดด ยิ้มอไกันมันกเ็้อยมอกันมันกเลูักษณะนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับทุอย่างอย่างสมองสมองไม่ไม่เป็นรคปัสสาวภาวะที่เห็นะแต่ภาวะที่เป็นคปัะปา็บมไม่ปกติเลยแต่ภาวะที่ดูที่เห็นเียเีไม่เป็นไม่เ็น ทำให้หนักแน่นแ่กวเหแต่มคนอากาาาที่เุนขุนศกเกิึ้กเไหมผมมองเขาอนก็คิดสงสารควเรตามรั พยายามอยากให้โลให้โลให้กินได้เยอะถ้าอยาาเกิดขึ้นกับจิตจิตเกลียดคนน่จิตไม่พอใจคนนั่งไม่ชอบคนนั่งเราชอบใีรเกิดขึ้นกับจิตเห็นไหมแล้วจิตของเราดีหรือเปล่รือว่ามันเป็นแบบ มันเะ็นื้นมันเป็นสิ่งที่มันกองเรากโจมวลเก็บเก้อเ็นก้อนกรูมาญาติถ่าของสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ Pixel, oh. หน้ารูปตาโอ้อันี้เป็นอาบุรจะเกิดขึ้นใะไรก็ในความเเจตระหนามดขมเขีไม่ ปกติทิศปกติไม่ปกติแต่จะิดางทีก็คยงออิโน้นี้เป็นความตกตคปกติตุกบีก็จี่ตกใหญรู้อัน้นรู้อนีิดรู้ไปร กูต่อเขินสิงเป็นสมาธิเขินปัญญาบที็เก็บควาี่ยวกัเรก็ไม่ไดรกเห็นมั้ยเนี่ยโอ้มันไม่เป็นตกเลกก็คือันเป็นาการที่มาเิมาสมันเอเก็มันเรียกโอ้ลนเองจะละที่มันมั่นคงหมัแน่มีปัญญาโลกเด็ก ถ้าเราไปตีดรูปไปติดศพก็ไปนั่นแหละเอาก็เช่นเียวกันเราก็มองรวามเขียนเพียนเนาะมีสติแล้วก็เอาควาู้จุตัวไปเลยอยากไปเอาศพอยากไปติดรูอยากไปติดศพเอาไคนางคนก็เกตัวมาติดศพนะอยากก็ไม่ธรรมทานธรรมทานไปติดศพใจอยากไปกินข้าที่ยนะเาก็ยไปศพมาละ คือทงรายเองแแสบแสบอิ่มในที่ทร์บมันจบมันเป็นปิติจนบอกเพื่อถ้าไม่มาฉับข้าชัดกเจ็ดวันไม่ไต้องหมวนะถ้าเกิเจ็ด่อนก็ปก <c oughs> <c oughs> ปเป็นห่วงเพราะติมันดีกว่าพ่อครู่คกล้เพื่อเอาไว้ปฏิบัติไหม ต่อไปไปเลยเถอะราบอกเพื่อนเลยรับถ้าผมไม่มาฉันเข้าเจ็ดวันนี่ไม่เป็นครับไม่ต้องไปกลัแต่ถ้าเกินเจ็ดวันไปดูหนอยวมันจะเป็นเลยไม่เป็นรมันที่ใจมจบใจนะอันนี้ก็ไม่ไม่ถกตอไม่ถกต่อว่าไปติดตัโดยไม่ คา <ridiculous. S 2> มเปลี่ยนนั่งเฉยเนั่งนั่งสุราก็เปยนมาถามเปลี่ยนทีนั้นเรเลยผมรู้เนื้ออะไรผมรู้รู้รูนะรู้อเล่า ผมไม่ความหุดนไม่เคยุดอสุดอยู่ในตลาน66พอตะเกกตะกายเหน้าในตลา ก็เน้นว่าในความศึกจริงน้าในตลาดไม่ใช่น่าอะไรอ่าไม่ใช่น่าในดุยในหนองตกโคกแบนี้นะกโคนะแถ้าไปเจอหน้าในดุยในหนองไปอยู่ในน้านในตลาดถ้อยู่ตรงนั้นไม่ไปหานาก็เสียเวลาจะไอยู่ไ ออกมารู้มันสุดคนเห็นมันทุกคนเห็นเห็นมากนะถ้าไปอยู่ันไม่ได้มันไม่ไปไหนหรออยู่ตรงนัาก็ักอยู่ตรงนั้นนาะโอ้โเสียดาียายความกุศลทิ้พ่อทิ้งกูทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทงแม่ทพ่น้องฮะปฏิบัติธรรมก็ไม่จบนะเพราะวจะยังไม่ จะอกต้องตกใไหมช่ไหนเดีร์จมาาเี่ยตัวนี่จะที่นี่จะที่วัานี้ท่ามกลางววหน่อยมันจะิาไหมันจะไปอยู่ตงเดินก็เดินไไว่อยแ่ยูบกตรงรูปตัวรบนัจนีที่ิเรื่องอกายนัน เร um, ื่องของกายแล้วก็ภาระนยเทวนส่งให้คามบังเกิดาีเจภามกิาคลือทันลื่ทต่างจะหวาคอยึงเดิเนปองคึ้ลทันเลื่ทันเลื่อทันดูเลอดูเหลือนาเรื่องเลอของเลื่อเพราะเลืูอช่วยไม่ในทตงให้ที่เกิดต้าน อาการของลูกลูกจัเพราะมันใช้ให้เราดูมาตั้งแต่ที่เกิอากาต่างที่เกิดขรื่องลูกหลอกเรไปได้ต้องหลกตรองนต้งโต้งหว้อโมเอาเานอนกเหนีวอะไรต่างหลอกนะเรื่องม่หยุดตัวพอเราลูกเกิดเรื่องตอห้ย ไปหาเอาไว้ตวลาเกี่ยวข้องกับเวาของสขมิุกเกิดข้นกับูกเอาวตรงนัอไปลงเฟองไม่เที่ยวฟองไม่ใช่ตัวตนเห็นแย่เห็นแย่ในรูปมาจะเลงให้เห็นนานหลายวันแล้วุดเสื่อมลงมาหมดลูกตอนนี้มันมีเศรษฐกิวันเดันจิตไอส่องไปโขไปเที่ยวไอส่องไปแยกไปแยก ออกาเชมา้องรู้เพาะาจะาลูกเพรารมาอะไรทีก็รู้อย่มารู้อยู่ถงครบเก็คเสร็จคือรู้ถึงคบเช็คเสร็จคือนะถึงวนาเทศาลต่างๆต้องเรียนรู้เรืสมาธิู้เรื่องนยาถึงเราอยกับงมาหลายวันปกติมาหลายวรอยู่กับสมาธิมาหลายวัน เราอยู iron, si ่กับการยานะเราใไม่รู้ว่าเรามีสิิไม่รู้ว่าเรามีสมาธิไม่รู้ว่าเรามีสัจญาเราสัมผัญอยูกับสิกัสมาธิปัญญามลยวัโอ้ยังไม่รู้หรืเามีแล้อจริรูมีแล้จริเห็นเร็นแล้วจิรู้เรื่องของสี่งิาไม่ใช่สิ่สมาธิสิ่งศิลามันเป็นลมมันเยาว์เยนเฉยเฉยเฉยไม่มีที่งีล ทำให้หมดความน่าจบิตใจปกติกายปกติเดี๋ยวติดมาทุกอย่างแบบโม้รวยเลยโอ้โหแล้วก็เสียงของใครนั่นมันเสียงนั้นมัปกติมาเป็นป่านวันนี้สิไม่โกโแต่แทบโอ้สิ่งนี้เป็นเสียงสิขาเป็นเสียงนกินเด็กฟโน้ของโค้ดฟงล้มฟง อ๋อสร่างัวามระเองกนมันไม่มีบมันโมันโ่ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับลูกเกิดอบอกลูมันน้ำมันีแต่หมกพอยไหลตกงไปนั่นอ้องจแต่นมันันีปขึ้นแต่พวลาบว่อนอะไรแต่น้ำมนเงียบปลาอรกล้บ่อนไปเหมือนคิเของเราที่มันโกไปพอเราเกิดไรกับลู เมือโลานีกิิใจ่นาม่ีลโไม่แลหน้าลหลังมีสมาธิเพาะว่ตรงไหนาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเม่อไหร่อยู่เม่อไหร่โลกก็รู้เงียบจิตเิตอะไรเกิดต้รูโลก มัอนมังมืมืนเหมือนแมงมุมตัวปัญญาเหมือนที่มันคือใหญ่ไปใหญ่หญ่มกมันออยู่บแต่เวลาแรสัมผัสันแรแรงสัมผัสรูปจับลูไปเกี่ยข้ไปจับจัาเลยแล้วม่อยู่นาตัวปัญญายอะไร่มมนันลอย่าู่ว่าที่อยู่ที่ ไม่ไ้องไปเป็นกับทุกข์ไม่ชอบไปเป็นกับทุกข์แต่ความว่าที่เห็นลู่ล่องเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับนามที่เป็นฟองสังขารสังขารกายสังขารจิตจะสังขารการรวเป็นแง่ของนามการรวมรวมเป็นแง่ของจิตใจที่เป็นหนักเป็นโลนั่ลู่ภาวะทีุ่ภาวะที่เป็นก็มากเลย่มาที่บรรดาูก เจาไปสวมมากคือาวะที่ดูดำเนินภาวะทีดูอยู่เรื่ยภาวะที่ดูอย่่อยๆกดท้วมากเลยาดูไปไปองสมัคเข้าสู่อเียมภาวะที่เห็น่เราเนี่ยตื่วต่อร่ออบไันินที่เกิดขึ้น ไปเสียไปแม้จะเดีกนิ่มตะพิตาเรืงน้ำลายหายใจนี่งหลบไม่เด็ดูวรู้เต็นไปด้วยน้งเดียวเขาจู่คมมักคอยตรวจภาวนาลงเนี่คิดหาแค่ไหนจะให้ลงจะให้ลักจะให้ปวมันก็คงถือตัวเอง มันไม่ต้องปกติดูอยู่นี้มันเป็นมหามักเกิไม่ใช่เป็นของผู้เป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นสับสายสะเียร์หัวเเหมือนกับเราปวดหกหเทียมเปลี่ยมาเทียมรบได้ของหักพองหักไรอะไรก็ไม่ต้องมันก็เป็นไปแล้ว เลนเจอร์น mm ั้งจับสาหราอนี้ที่เราไปข้างซ้ายแลก็ไปข้างขวาเมื่อเราขับรถไกลยใหม่ๆเห็นซอยอยู่ตงหน้าโค้จต่อก็จะมีพอมันจะออกทางซอนิพอมันไกลแล้วอาจจะเห็นเราขับรถไกลๆเมื่อนกิดพีร ไปฆ่าไปไปว่าหลบฆ่าหลบวัไปคนเด็กคนเด็กนะมัดในกองหารวมตัวิริตัวรวตัเป็นชีวิตรวดรวดเป็นชีวิตคนเดียวทั้งรูังามทังศรัธาทับัญญัติทั้งธรรมะ่องกงเต็มเสียตัวโตตัวมาเ็ก ไม่ไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้ทำตัวว่าจะเอาอะไรโกรธใจเอาอะไรติดโสมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเก็นสมเหตุสมผลทาไว้พลาเป็นกฎของธรรมชาติมันเข้าไปโกรธบอกว่ามันไม่ได้เกิดมันไม่ดีหรื โครโคตวามโลกความงมันเยอะแต่เอาไปพอกระหม่อมเยอะมันยังไม่มันก็เหนอยแห้งเหนื่อแห้งความโลภของโกรธความงความโงแแยมากเลแ้งเลือดเลยสติเต็มเลยเนี่ยใจเต็มมันจะเกิดถ้าเราทำอไไม่ต้องไปพูดถึงคำว่ามรรคผลเกิผ่าน มันเกินขนถ้าเราทําูอย่างนี้มันจะเยานี้กันนตัวปฏิบัติที่เราทำเลยไม่ใช่ทำลมๆเล่นๆมันมีสุกมันมีไหมลูตยอมีไหมนจะมีรอดเกหือไมีตัวดเข็มอะไมีไหมมีเท่านี้ไหวมยไหเดินแล้วนอนมีไหม เราเราู้มั้ยเรารู้ทำไมจะไปเราเห็นเราแค่มันเป็นติด่ะเหมือนเราเรือเราขับเรือของเราข้ามไปข้ามมาได้ยไม่ใช่เราเกเือแต่ก่อนเราเบกเราเบกเลือเราตกแตกไปเรือของเราโอเคไม่ได้ใช่ข้ามฝั่งข้ามพลาดเรือของเราสวยเรือของเร ไม่สยตกแต่งอยู่ลูกลูกฟังอยู่แต่วันเกิผ่านไปผ่านไปเขาอยากเรือลมนั่งข้ามผับผับไปลับมาผับไปมาเอาลูกให้เกิดพาว่าเกิดวามลูกเอาลูกเรือให้ทให้เกิดเท่านั้นแหละสเร็จไปอยู่เอามาใช่ในเตาด้วยตัวรอย่างมุห้านี่ไปก่อนไทแบบนี้ เราเคทังโเหน่าเป็นคั้งคจากชีวิตห่อกไรงใสรักทันยจูบคนรัเราเคยอาชาไปดส่ย่องขอที่เดชนาชอแใจเลยรักเก็สาเราาใจใช่เพือไ้จริงๆเราก็นั่งนไรม่เนวงเนังชอนออ่าการดอะไรนันที่าช เราแค่เป็นยงวใรู้รู้มันจะมั่นสืบค่าแบบกระจายเปิดความลูกของลูกเปิดกลวงลูกถนัแต่ตอนเราใช้ลูกเกินประเทศแต่ตอนตราใช้น้ำเกประเทศมันจมีนิดเอาไปปันดิปันนีสนิสก็เสียความเป็นนิสเสียหมดมันจะิดใจ เราอยาไช่เป็นประเทศเาไปใช่เป็นครมเาไปใช่เป็นคทำเาไปช่เป็นโสเาไปช่เป็นคนโลกเาไปแช่เป็นคนหลงถ้ายย่งนเทกไ่ัวามร้ตวามครครม้ว็นอนี้ไปว่าน้อากขรี จรเกิาในลกกยาเราโลกยาเวลาโลกย่มหนมเกิดขารโลกยามัไม่จเเราไม่เคขามาจเขาอว่านีเป็นนี้พไปทระไหลักมามาฝากลยาห้นี่ออกตัวเขเปนนี่ ผมในตลอดเลาาจะใสใได้ใส่ถี่เป็นวันที่เขา้ทอยู่ใช่้มาเราเ็นนี่พอเอามว้ไ้สาติแวต่ฟังไม่ได้กันเหเวลารายาเช่อถกันนี้นี่เิงัญสำัแต่วที่ริวนี้เราว่าจะมีแต่ว่า มิใจลมิใจเราเคที่ทอเอาใไปให้นค่นี้มดันจีใจมันจะจับนูจับน่้วยกันให้การีไไม่เป็นตาต่ในั้นมาไม่เป็ตใจปกันไปไปตลอดวันเวาไม่หนั ใรานเช่นนี้ตัวเอนี้สตัวตาเห็นใจคนนั้นะรู้บตัวรู้ตัว้ายเือนเราชื่อถ้าชการรู้ิตัวเนีท้ายเอนี้ามไป่การงร้สุดที่สุดไปไกลเนี่ยมันรียว่าไ มนจนะันเรานององี้หมนต้องอยู่ความรูกทัวทันะครับรกทวัที่ช่ะกัย่ัวีย่ไหน็จกนความนก็จะเกิดขึ้นเรามาใ่ายรับ เราไปช่วでคนยคนนี้เขาทำหนี้นนี้ม่าันแม่ไม่นั่น้ว มันคือสุขธรรมชาติความไม่ตกก็คือสุขความไม่ตความไมตกกคือสความไม่ตเความไม่ตกก็คือสุขความไม่ตกความเบิกตาลงมาคามมันยร่วแวยได้สาเตือช่วยกันไม่มีใครมีอะไรฝ่ายเดียไม่มีใครจะเห็นหมดทั้งใจนะจะเราอยู่เลาอยู่เนี่ยเรากำลังบอกให้ใจคนที่อยู่ใ่้เราไม่ไ้จดู เราก็ม่เหนความใจความช่นชมถ้าเราโเราไม่เห็นความโกรกเราก็ไม่เห็นควานใจความชื่นชมแต่นี่หงน่เอความโกรกประสบถ้าเราเกิดแบบให้คนความโกรกความโกรกความโกรกจะได้ทำให้เราจ็มาจะได้ทำให้เราหลงต้องมาจะได้ทำให้เราปวดต้องมาจะได้ทำให้เราใจเย็นใจน่าเบื่อเกากควมีใจของหนักมา เราช่วยช่วยมช่วยช่วยั่นเขาเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้่ย่ยย่่่่ยววว่ช่ย่ช่่ช่่ช่่ย่ ทั้คานรู้งานีใจทั้ทั่วลกที่รู้ดีใทํ้งทั่วโลกงานดจทั้มีคนรู้ดีใทํ้มีคนงานดีใจ่ะไม่ใช่ใช้คำพูดงื่อนห้านี่คือที่ของช่วยโกแต่ช่วโลเดี๋ยวเราเรียนเนืของเขาเขาไปทำานโลกวนั่นก็ ตายไปด้ัดยวยกาัตเ่ไม่้ยรองว่าขหมตแล้วมันนัร้องยกเกตัวดูจตัวันขาไปแล้วขาดตายแล้วอั่นมาแล้ว มูกท er okay. oui. ี่ตัวที่ขาขาแม้ระทั่งตัวม่าเ่มันรู้สึกตัวากร่คนนี้ Ollie เเาไเอยๆูก uh, ตัวไมมีนขางเรนนเมลกเ่ม ouais, าิจนันนนูกตัวอาิี๋เดิไปนา นอนก่นขอเถะเราเเป็นวาวันนเววเาผ่กลวันอาทิตย์ขึ้นเลมักเยอะกับ้านแล้วเปลี่ยน็นโยกเปากแต่กอเรากนว่าลยนักเยอะเลนะมคิดเรือยๆมัว่าอนีต้ง มีเด็ีตามเีตายมเีตาตวตรงนี้นะจที่จุดง้ในตา่งนี้ือิีจับองท่าฟองนองเท่าฟอ่อมอเรารงเท่อรกันรับผลไ้รับผแต่พอเราับ่ ทังสว่างจะได้ยังสู้อย่างเด็ดแต่ไม่น่ารักความเสี่ยงมากเลยเราทำดีเลยมากเยอะเหมือนกันสว่างเราจบตรงนี้เราไม่ต้องไปดึงเงินเดือนเพราะเราไม่จำเป็นเพื่อน ความควาวามยินยินความความยินเ้าเรองวันวานแตารความปวดความเจ็บความปวดใจวดปวดวดใจเขาเขาเขาเขาเขาเออเขาเออเขานั่งเานั่งนั่งแต่ถ้าอยู่เรียนก็เลยนอนหลับสามตัวโมงเจ็ดตัวโมงตอนนี้ก็ต้องทอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นนั่งอยูี่น่เกิดยิ้มไม่ขึ้นเพราะว่าอยากอยากทำปวดปวดใจโ นะอาบะอนนี้เราถึงควรใจละแต่วันนี้เราเรามันน้องตาม่ดีเราใชวที่ยมอ้วนขนเต้ยถ้าเป็นปก็จทำนะวันที่วันที่หก็จะไปดูการขนเต้ยแ้อจะทำตอนไหนมาจากไหนแล้วก็เด็กก่อต่อต่องการเยอะแวรออยูนี้ขอ มีเรื่องของเด็ก